ตามรักวันนี้ก็มาฟังในฐานเรื่องอะไรกันใหม่ขํนหลับวันนี้ที่ตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นการรีเม้นดาวของเราหมดไปความจงดาวไม่หมดแต่ก้ยังคุยเรื่องดาวเราจะคุยเอีกสองดาวหลังจากาแม่แันลูกสองคนหลังจากดาวสอตัวแล้ว วาสองคนนี้เป็นแม่บารากรุบารากรุเป็นอะไรอุทรากุรุเขาอุตราก็หะูคุุท่านไหก็ไมาบตรื่องคามบารารุมัอยู่ด้านเลยท่านน้อยูถ้าจะดูในทิศทางจริงๆะห่างก็ไม่ใครจะเล็กชูแต่เดินจันทเท่านั ท้อทุศทางเรื่องเงนไปเดืงดงดงองจันท์ดือนใน้านา้าทุกเหนือเสียงเหนะเพราะว่าดาวอุตรคุรุดูดอยเจริงๆไป้านทเหททกก น, ท น, นือข้างกชมพูางกที่เราอยู่ดาเดนีดาที่มีความสิ้นไหลามากเป็นดินแดให้บุคคลที่มีบุญในสมัยพรธเจ้าเคยตรัส วม่เป็นโชวิตาสติ um สสสไม่อยู่ที่น <man> ี้เปเป็นปัญญาไม่ยายไม่ท่านโชริตาสติไม่ท่านใช้ะเกียบไม่ท่านใช้สงวัตถุใช่าสงแก้วมนีเป็นพื้นฐานใช้ความสว่างของแจ้วมันีการหุงข้าวหอลาหรื่อะไร้วมนีอาหารที่บริโภคบริโภคอย่างข้าวก็นำมจากอุตรากุเอง ท่านแ่กกุลุอตะละกุไปแม่กุุอยู่ที่ไหนที่แุ่ลุที่เราอยู่ถ้าถาน่ทานจะไปกลไหมถ้าเทียระทางันทีจอจากเรื่องที่เราอยู่นี่เป็นพระบ้านคันดับเรื่องราวแม่กุลุระยะทางขอกันเรา่็อยู่กันเรือธิดอยู่ไกจาทิ แสงสว่างจะมาทิชิตถึงแต่เรื่เหล่นจะมีความสว่างไสวทั่วโลกและมีแก่นวิรีทั่วโลกยันไปที่ไหนก็ตามมีภูเขาแก่นมีกระดาษไปแก่นวิริทำแสงสวางให้เกิดเรงความเร่งความเล่ห์เล่นถ้าเราจะเล่ห์เล่นก็แก่นวิริคงจะไม่ผิดไม่ว่าเล่ห์อะไรนะ เป็นการแปลงสัตว์ว น, นี้ก็ชัดเจเสียงดีแล้วคอไม่ดี <c oughs> เลขลูกมีรูทีมีความสวยสดงามมากคนทุกคนเลดสวยด้่คนทุกคนมีแก้มมีติดตัวสองส่างจะแ ก, ก้มมีน้ำสมุนไพรกายออกทากร่างกายหญ <c oughs> ิงชายทั้งหมดมา ด, สดูสวยสงาน ล่าง็งิวใต่างเท้าถูขาโวนวนไม่ค่อนทางเลอ้ยน่อยหน้ากลงกลึงไขมันมัดผมสวยตาสวเนื้นนอตาสวยใ ต, ต้หน้าตายินยงเยใสเต็มไปด้วยความสุขผู้ชายก็มีความสุภาพมาพดุจหรือว่าเป็นเนื้อชำนดีนิสุภาพดุจ มองไปที่ไหนไม่เห็นใครถืออาวุธมีปต่ความยุ่งยากจำศสีก็หาการไปดูเพื่อนไทย่งโลกมีรังน้ำมีต้นไม้มีพวกปันยานยานไปเฉพระอย่างที่ยู่ต้องข้าวเต็มไปหมดในข้าวที่ระจะนันเดนมาเปพ ก, ก็มันเราซ้อมวตนราซื้อวันเรตํำ ต้องให้ข้าพเจ้าสารจากตนเมื่ข้าพเจรู้สึกว่ามไหก็เม้ข้าวของเรานิ้ต่อยเมื่อข้าพเ้าสวยาน่รารักก็มาานอร่อยเมื่อใครมีเก่าเศรีซึ่งมีคนมากเมื่อท่าได้ขงตัง ก, ก็ได้สามารถมันไม่สามารถจะสร้างให้ได้ต้องสร้างให้ <c oughs> การทาเจชั้นก็เป็นทาเจ้าวันีเป็นกทางเจ้าจการ แตตแต่ลตต้องมีเทวดายืนยมเทวาขึ้จนจประมหาราชอำนาจก็ใหน้สั่งท่านช่วยดิการเศรษีตอบมาว่าเป็นท่าอรหันยิ่งชธวิการเทระท่า น, าา เ, า น, นเป็นคนมีบุญมากเื่อการมีบุญจบจากเรื่องดาวนี้แนละ้วเจะเล่าเรื่อวดิกาทเศีมีบุรให้ฟังยิ่งดีขนมาฟังน่งคืคนรู้ เรื่ความเ ล, ลือกนี้มีแต่ความสวยสดงดงามหาแสงที่ประดุตาติดใจในด้านใดไม่ได้เลยเรื <c oughs> ่งความมีดีทุกหนทุกโลกถ้าจะไปดูอาหารข้ากลารวัพวกนายก็ว่าชาวโลกนี้หุงข้าวเป็นอย่างเดียวทำกับข้าวกินมากเป็นถ้านี้พราะอะไรเพ่าเวลาจะหุงข้าวกิน ก็นำมาขา้สามก็นำมาจากต้นในความจริงเพื่นำมาแสาาดงไว้หน่อยไม่ต้องมีเพื่อนมาตช้งางอย่างโลกของเราเราอว่าต้องข้าอยู่ใกล้บ้านเต็มไปหมดต้องการเมื่อไรก็ไป ด, ดตันงมาไม่ข้าวมาไมา่รับประทานกัน <S <S ปีพีเด็ดคด้าดเข้องขาหน่อยเขาทำยังไงเขาเกี่ยวข้าวเป็นรวง มาเป็นกลางมืแล้วก็เคาะกับขันแล้วก็เคาะกับโตกโตกก็ดีขันก็ดีเป็นทองคำา้วย <c oughs> ประดาิาเรื่องลายพระพทธรูป้วอริมีแสสว่าสวยมากเขาเคาะเบาไม่เข้ า, ขาสายก็หลน่นก็มีใบติดมาหลองจากนั่นก็นำมาบ้านน้ำน่าทองคำโอ้โหมัน เมืม่อเรืงทคำเป็นพระจันทร์ชันไม่ให้ยทองคำมีฝาปิดสวยเหมมันก็มอกไปเราถ้าสวยงาน ม, มากก็รับประทารูปงามอบายวามันแก้นมีมนมเอาเข้าสารใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ปิดฝา ด้วานั้นเจ้าีก็ทำหน้าที่ในเมฆามันก็มอบฟ้าบ้านเราทำการของข้าวเุเมื่อสุขแล้ก็รับความานนานนาั้นการร้นนกหดไปให้พระออุ่นทำให้ข้ามีความอุม่นเสมอได้ของให้บริโภคจะมาบริโภคอะไ ร, รข้าเมื่อไรก็มีไอน้ำปรากฏขึ้นหมายความข้าวอร้านอยู่ เมื่อตักข้าวส่จานก็นำข้วาวจะนั่งปล่าๆพววงข้างหนา้าต้องการกลับประเภทใบนึนกด้วยกาลังใจกับประเภทนั้นก็ปกว้ากฏในจานกับข้าวคนนั้ก็ข้าวบ้ า, า, างเราเพราะว่าข้าวเป็นปดีแล้วเอถามว่าแกงอะไรบ้างก็น้าจะไม่ต้องถามมันเป็นกับข้าวตามใจชอบของเขา แม้เขาจะมีพวกร่างกายในวัคโคนกุก็เหมือนร่างกายคนธรรมดาแต่อาการป่วยที่มาอย่างเราเขาอาจจะมีบ้างก็คงมีม้เป็นทีใครม่พ อ, อะไรว่าชาวกคบุเป็นคนที่มีบญมากบางคนเป็นคนที่มีเศษบาติดอยู่ ที่จะเป็นเหตุที่ต้งเปิข้ามาสบายก็ดีขอหายก็ดีว่ายาติสองาตก็ดีแล้วก็บุกเรื่องภาษาคนก็ดีเป็นคนเรื่องภระาภาษาเป็นโรคบาปภษาก็ดีไม่มีเรื่อกแลุกความเรื่องกุกเป็นเนืที่มีความสุขสบายมาก แม่นาฬิการนพวกจะเกิดตามใจเขาถ้าจะถามว่าชาวกรุงเขาดูแลเราชมโพหรือไงก็ต้องตามว่าสิ่งนั้นนั้นถนัดดูแลเราชมพูมากอาการแรกเราจะไม่พบโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีโรงพย บ, บนันแม้คนที่แก่จริงๆก็มองไม่เห็น คนทุกคนมองและดูเต็มด้วยความหลงเพราะว่าเปคนหนุ่มคนมสาวมีร่างกายเพื่อความมีการข้างตัวแต่การพี่มลภาพทางกายไมกไดากดในสายตาที่มอเห็นสองหน้าลูกกอดปลอดใจแต่ก็มีความสงสัยว่าชาวกรุก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเรื่องหาคนแก่งอมไม่ได้ จะพบคนแก่เงินจริงๆถ้าจะเทียบกับคนที่ไม่เลิเลชมพูไม่วลิกเรานี่ยก็ม้อนกัจากความรู้ประงาณยี่สิบปีัปอย่างมากคนแก่ที่สุด ข, ของขขนาดนั้น <c oughs> จะไปดูคนปวยคนปวยก็มีบ้างแ้่รู้สึะะ <c oughs> ก, กว่าพอป่วยแล้วจร้อยอการผอวขาแคบไม่เมื่อไม่ตัว ร้กคนมาผิไปิดาไปาเรื่องหนึ่งเขาก็ไปได้ทั้งสองก็มีการแปลกใจว่าโ ค, ค้ชของท่านอะไรมาตั้งใจไม่ถึงองสาหรับตระสัญญาท่านพระเจ้าเพื่อเพิความสงสัยทั้งสองในโลกเื่อนึกนนถึงพระพุทธเจ้าเอาใจก็เกิดความรู้สึกก็เกิดมาเป็นวา ก็ทราบว่ากาลังยาที่กระต่างยาไม่เกิดจะกาลังชาญที่ยาได้แค่สายชาญเยาชาพยายามไจังเลยว่ามิถุนงกับดเป็นทีกแก้วมารมีท่านเจ้าก็เห้ทุ่ใจเข้าประทับใจเวลไม่มีความรู้สึกผ่าใจทันทีเห็นภาพนายดีของคนชาวกรู แต่คนชาวพุทธมีในสังที่เกยการทโลกฉมเพอแต่ควา ม, มจริงนี้เป็นคโลกสมเพอเหมือนกันทุกคนมีความไม่มั่นในการมาพ้นบาปมีในทางบาปมีที่เขาไม่ขาดจิต <c oughs> ใจของเขาหนักในจารฆาตสถิตกรรมฐ า, านถ้าไม่หนักในพระหาณสี่ขึ้นมามีเมื่อตาควา ม, ม, าวามรัก ทั้งตั้มาความผู้สารสารไม่ไปตามาติ อ, มองงนน่อนโยนายื่อฉาบิสยาไขยินดีกับความดีของคนอื่นเชื่อใ่าวบางเยครเพื่อนพราเติมไม่ทำให้ใครมีทุกข์จิตคิดอย่างเดียวเราเป็นที่รักของคนทหลายและคนทหลายก็กเป็ทน ท, ที่รักสหรับเราถ้าคนเราสัตว์เรารักหมด ดนั้นชาวกุรกมาจเป็นของเรื่องร่างหนาตาสาวสวยแม่จบด้วยกันทุกคนการมีร่างอภรรตไม่มีในชาวกุโรนี่เ ป, ประการที่หนึ่งในการมีอสองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหายากในการมีอสาการร่างกาถูระมางกากทุกขกราหายาก เพระส่งสินข้อทีมหนึ่งลมีโรคตากรน่าเป็นเหตุการอ่สองซับสินใบของชาวคนุะไม่ต้อมีการระวังคือไม่มีใครม่นักขโทุกคนลงสมองไปซับินรั์สินนั่นแหละมีความจรงิงไม่จาเป็นต้องหาซ่งี่มีความจาเป็นต้องหาจริงๆอ ย, งอย่างเดียวคือไม่ได้ข้าว ไปข้าก็หาไม่ไกลหาติดติดกับบ้าข้าที่ถูกเกลื่อนไปแต่แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ ท, ทํำกิงทำใช้แล่วก็มีบินด่านมากความจุงจึงเท่าไรใช้เท่าไรก็เลยหมดถ้ามันแคม่ ม, ม, ม, มีความสุขวทรัพย์สิน <c oughs> ความต้องการในสิ่ต่างๆเมืม่อมีถ้ามาเ้าทองคำมาทํำข้าวเอาทองคำมาทําใจข้าวเอาทองคำมาทำกระโถน นัดหน้าสงสัยาในส่วนทองส้วาททองคาหรือเปล่าอันนี้สงสัยต้เข้าไปดูปม <c oughs> ่มีความรู้สึงว่าเมื่อีอาจจะใช้ถอสวนทางคนก็ได้เมื่อเราพูดว่าก็หุนทางคันั้นก็เปนเหนียวสัี้ครมีต้องการความต้องการอย่างเดียวก็คือต้อมีแต่เงีก็ไ่ไปหาที่ไหน ข้าข้างได้ก็กลับไปวูเขาลูกใหญ่วกเขาและภูเขาเจ้าบารีเดเปร้อยเปอร์เซ็นต์านขณะก้อเขาทั้งหมดใน่องนี้ก็จะเปเจ้ามารีเมื่อใกล้ในบ้านทั้งหดก็มีวกเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างวูเขาให้ส่องแสงความสว่างต้องกางเจ้าบาีกอเล็กก็จะจิตมาตางคาบใจแลวก็เศษห นะที่นครเล็หไม่บีบุที่ไม่จงิจ่ใจคานปติการฐานตั้งใจคิดจะให้ใสมัยนสมัยที่เป็นชาวเมชมพูโอกาสเลยก็ให้วันการให้ไขรกับชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่ลักทรัพย์ของไข่ไม่ทำช่วยพกเขาเมียไขใใ่ไม่พูวาจามสาวาทไม่พูดสาเสีย ไม่เพื่อขังหยาบไม่เพื่อาจารยประโยชน์ไม่ไดไม่เป็นเวลาไม่ไรกำลังใจเป็นความไม่ตาบราณีคิดจะค่าเกินข่าใครไม่มีกำลังใจเป็นความปัญหาคือความสงสารอยากจะให้เสมอเลือสายเปานกำลังใจเป็นคำสอนของสาเรับพระสันาปาท่านพรเจ้ามีกาลังจิตทั้งเวลา่อนาทั้งสองคน เมื่อทิดถึงพระเจ้าว่กากำลังใจก็เกิดตามนี้เมืความกาลังใจที่ิน้เป็นกาลังใจแกภารมีก็อเอาสมประสัมาถถทึพระเจ้าสงเคราะหเมื่อใช้ไมกหรือเวลาสิบสอ ง, ง, งนาทีถ้าขอย า, อยาเจาโลก้เป็นเลอีกเลกหนึ่งทีลไม่พลนอนบังนั่นกันไม่โลกแตก่อาดก เปนใครที่มต่ความเทินความสงสุดก็งามม่ใจเยี่ยง้แขกงน้ำแข็สู่ตูเื่อนี้ถ้าวัามือโกนาเลงโจะต้องเดินทางสองเที่วไปเที่ยมาเที่ยวจึงจะเมืองทะเลโกนุไปเลสิบปังเล่ยนี้เลสิบปังสิบปังค่รุนใบเล่ยสิปะ เสียไปแล้วโ่งความรา้สังานลูกอากจา ก, กลูกอุเรนไปเร่งสิบตังค์่ิบเงินด้บืงใหญ่เห็นจา่าคนลูกไกลยสยงกลก็อยู่ในเงินเม็เหมื อ, อ น, นกันแต่ใครก็ลางใจที่เห็นทัดสามารถมาเห็นได้แต่เขาไม่เม็ดไปทำนมไม่ใช่กม็ดถูมีสภาพั้องแล่นมากันวัน จะได้ที่อยู่ให้องที่ปิด ป, ดประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างทั้งต้ไม้ปิดไปห ม, มปดในสภาพไมไ่ขนาดนั้นท่านตแม่ใจก็ดีใจก็ดีถ้าไม่แม่ใจว่าไม่ทสบายขนาดไหนท่ได้ก็ต้องมีประตูหน้าต่างทั้งต้นไม้มาปิดตไปหมดเ ก, ก็บแรงกระทุกเสีงยงกระท่วเรามองเห็น แต่มันไม่สว่างไม่เปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นเอง <c oughs> คนในโลกมม่มีเจ้าก็ยากกว่าโลกไม่มีแก้วเหมือนกันแก้วที่ทำให้โลกที่สว่างก็คือพวกเขาพวกเขาแก้วมันมี ม, <c oughs> มีเป็นจุดๆมีเป็นยำๆแน่นหนาแน่นหนาโกรุแต่แสงสว่างก็มันมีสารเท่ากัน แมืพระม่ด้วยจงเงิ น, เนหนเหมือนกับกลางวันแต่ก็มีสาไมีส า, าแ่แกกล้าไม่มีความเงินแต่ก็แสงพระอาทิตย์มีความสุขมีความเยือยนสบายลืมดอกปล่อยนกขนุนมีความเลือกยนล้เรื่องนใจไม่มีมมร่างกายก็ไม่มีร่างกายก็ไม่มีเรื่องความร่รร่รวยความสุขสงาร มาเล่าสิปังก็เช่นเดียวกันมันเล่าี่จนด้วยความสุขแต่ถ้าไปดูอาหารเม่ามต้องทำอาหารกิ่สิแม <c oughs> งคือต้องปลูกต้องข้าวแต่เพืกอทำบัรดาอาหารที่แปงก็ดูปักญาติดูขั้นมีเป็นห ม, ปมมหมดก็รมีข่าวทางนั้นที่บรรดามั น, นต้องหลายต้องทาต้องสร้างขึ้นต้องปลูก ในการกเพาะของวเขาเพาะไมาได้ยิ่งประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเช็กประเทศฝรัง่งไยในเรื่องใร้เูาะม้าวไม่้จะไปขายไขย่ทำไรแค่พอกินถ้าพระองข้าขาดไปผลไม้ก็พอ แ, แยะๆเดินด่าดไปหมดในแรกลรกไม่ใจะมีความสุขให้ามาดูร่างกายเขาไม่ลดไม่ลดนี้นออ ยอดยาวกัลยอดยก้านไม่มีเมื่อนๆมันแขกยอแขกที่ ม, มี่อสองสีอยอดขาวก็ไม่ายดัำก็เม่ชงรดงก็สม่ไม่สนักแต่ความเรียกว่ า, า, ว า, ามีผิวบานแดงแทนขาวมีสุดสงดีมเมื่อเติมต่ค่อนข้างของชะลูดใบเป็กไม่พพเพียว ผชายจมั่กันผู้หญินกั น, น, ก น, กนหน้าตาไม่เหี่ยมมันก็ชาวโลกโสโตโซโต้ตชาวโลกโซโตหน้าใาหน้าใจม่งเหี่ยมหน้าดุแต่โลกนี้เป็นเรื่องย่มยิ่งใหก็มาแกันไม่ดูเคร ง, งกายบรรดาท่านสุพรรณนาหลานกหลานทรักมองเค้ืแต่งกายข้ขาแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจทำไม้นี้หนักก็ก รู้มากเร <c oughs> ื่องตายกลางกาขาเป็แก้วเลพูดว่อแก้วเงินมันก็ไม่ถูกแต่ว่าจะพูดแก้วเงินก็ไม่ผิดเหมือนกัน <c oughs> ถ้ามีให้เราเสื้อผ้าของเขาเขามีเสื้อเขาไม่ผ้าเป็นพื้นฐานเราล่เปิดบัตราระจ้วันแก้วบ ร, ริบบบรนพนยินดา ร่างกายทหาดเป็นแพ้ฟาวดีแก้วมีพิษในลิมบาประดับหน้าสงสัยเหมือนกันด้านหน้าก็มีแก้วด้านข้างก็เป็นแก้วด้านหลังก้วแก้วคือพิษด้านใดก็มีสีต่างต่างพิษตอนที่เก้งตัวจะนั่งทักแก้ามันก็จะเจ็บแล้วไม่เจ็บก็ไม่ทรายังไม่ต้องรีบรุ่นโดย เวลาทุะเมื่อจะไปแก้างเกงเมื่รโลยตดมันก right ็ได้ตัวกางเกงแท่าตูดเป็มเลยแก้ันนีบ้างแก้ไม่พ้นยินดาบ้างแพลวพาไปหมดขอดูต่ำก่อนนันดูแังท้าทั้งชายทั้งหญิงนับพระพินศนัปาต่างๆมีรูปต่างต่างกันน่ารักน่าชมมากเส้นดับผู้หญิง เมื่ผ้าคล้ายกับผงแต่ไม่ใช่กับโงให้อะไรกับนายสัตว์ต้องเป็นมืดตอ้ตองตป็นตาบอลบานๆเห็นผู้หญิงก็มื่งกันเลยเราเรื่องของเราจะจังว่ไหนไม่ชื่อเขาไม่ถูก <S <S แต่ผ้าทั้งผืนก็กกนระบิดานมืนก็ผู้ชายเหมือนกันต้อมีสื้อหนายต้องมีเสือแต่แต่กับแต่ผ้าเปล่าๆผู้หญิงชอบสวยอย่างแรกจะผ้ามีเพชรเต็ มางท่ามีเพชรเต็มข้อท้าก็มีกำไรบางลาก็มี ก, รกรมางลกลมๆนางลายก็มีนาไรายบนันเป็นปุ่มใหญ่กรดับประดายเพชรสีสันกละต่างกันที่มัีเพิ่มีืดไม่ต้อง่ากันยันไงไมเแต่มืองท้าเท่านั้นที่มันมีแหวนความจรงจะไม่ใส่มือเท้าด้วย ได้ความจัิงท่าสงท่าแล้วก็ต้องใส่แบงก็ได้ไม่าท่าเป็นเพชเป็นเพชประดับล้ลาราได้เจ้ามณีแล้วก็เพชลอยข้อหนึ่งเขาจะหยิเป็นหมดต้นใหญ่บางคขาจหลับเนบางเขาจะ้นเดียวจะ้นใหญ่ประดับประดาในตามตัวก็พาพาบเป็ยับเส้นเดียวกันให้มาดูที่คอมันเหมือนกัน ก็มีต่างหูต่างหน้าช้ดได้ที่คานจะงหลือหน้าจะมีต่างหูอยู่นี่คือคานจะงเหต้องไม่วัดหีไมมีหวงใส่ถ้าหมาตายก็ไม่มีเลินไม่มีทางจะมีน้าดได้ต่างหไม่ต้องพู้กลางประดับประดาใหญ่ผู้ชายใช้หังก็แผ่นเดนานตั้งตั้งระดับหัวประดับประดาด้วยเพชรมีดีนดาก็่ังมีหลายหลาก ตั้งบ้่งทรงหยาบั่งเ้มนเ น, นกับองคบ้างทำหน้นแบบนี้แผนคือความเมือนี้ประับรดาตพาไปหมดเม่สาวแม่ลูกน้องแลวกันงูแม่คน น, นี้อยากจะทราบว่าใครสวยไม่ได้คนแรกหน้าตาตัสวยมีความยิ่แย่แจ่ใดีคนยิ่มากสูยมากจนน้อยสวยน้อยเพราะว่าการข้นระดับ ไม่มีใครแพ้ใครถ้ามีป่วความนาในร่างกายอาจจะเฉียดจังดังเฉียวดังไม่ได้ต่อน่อยแต่ขึ้นมาดับทางกายแล้วไม่มีใครแพ้กันแน่กํนลังคอนดีโมกทั้งองค์ถึงเกิปัจจัยสี่นี่คนโลกนี้กยบโลกของข้าวกีดีมากกว่ากันก็ทราบใจกาลังยาและคนโลกนี้มีดีมากกว่าชาวโลกโลกข้อแรกหนึ่งข้าวต้งปลก ขอวกับข้าต้อหาประกอบกับข้าวเกียงความโลกน้่นไม่จริงแหลแต่ว่าสรุปลภไม่ได้เรื่องดวงดาวนั้นรักทลายนั้นนะทุกคนผู้ภาวนาต้องสนใ้การนีมันแย้จริงๆคอก็เจ็บท้งก็้นร่างกายก็ส่วนเรื่องดวงดาวต่างๆของกันเพียงเท่นี้ความจริงที่จะพูดเรื่องดวงดาวต่างๆจริงแล้ว ดการตัสามสบปีแล้วก็ไม่จบเพราะดาวเรื่องมมากายเฉพาะอี้เป็นดาบบาทาีสบายใหญ่ไม่ว่ า, าคุยันแบบหก็ได้เพาอย่างนเปนาคนาวเดียวไม่คุคยรืย่ ค, ความเนาหรื่นงนปีก็ไม่จบก็เ่ความเวลาไม่ลงนาลกาหรือเวลามาถึงนึ่นานนานนงาทีก็เขาดุวัฒน์ทีความสุขสบายที่พระบางคนสมนตผล ยิดีี่หมมาเังลาี่ทุกคนสวัสดี